จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของข้อพุทธเจ้าที่เป็นสวากขาโตปะกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเป็นความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดี เรื่องการเวียนไวหวตายเกิดก็ดีเรื่องมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแการเวียนไวหวตายเกิดก็ดีเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่เป็นจริงทนะั้งนั้นเพียงแต่พวกเรายัางไม่มีดวงตาเห็นธรรมคือยังไม่ได้เปิดตาในคือเปิดใจเปิดตาใจของเรา เนื่องจากตอนนี้ถูกความหลงปิดบังเอาไว้จึงไม่สามารถเห็นดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดและไม่หยุดยอนไม่นานสักวันหนึ่งเราก็จะมีดวงตา เห็นธรรมได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้เห็นกันเพราะความจริงนี้มีอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการลิโกไม่ได้หมดไปกับพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอยู่แต่ในสมัยพระพุทธการเท่านั้นแต่มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยอยู่ที่ว่าจะ เห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองว่าจะเห็นได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ได้ศึกษาและได้เห็นมาแล้วเป็นจำนวนมากเป็นผู้รองรับรับรองคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอน ที่ถูกต้องตามหลักของความจริงพวกเราจึงได้มาวัดกันเป็นประจำก็เพื่อที่จะปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้มีดวงตาเห็นธรรมการปฏิบัตินั้นท่านก็สอนให้ทำทานให้รักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนานี่คือท่านบรรดา ที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญสู่ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดจากความมืดบอดของเราเองไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ถ้าถ้าถ้าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายก็จะไม่ถูกเหตุการณ์ต่างๆมาทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะความทุกข์ใจนี้เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากตามความหลงเท่านั้น ถ้าเห็นจริงแล้วจะไม่หลงเมื่อเห็นจริงแล้วไม่หลงแล้วก็จะไม่อยากจะรู้สึกปล่อยวางได้แต่ตอนนี้เราปล่อยวางกันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจกันแต่ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนั้น จะรู้สึกเฉยๆเป็นเหมือนกับดูภาพยนตร์ดูละครผู้ที่ดูนั้นไม่ได้ได้ไม่ได้เสียไปกับเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพยนตร์หรือบนเวทีละครแต่พวกเรานี้ไม่รู้พวกเราไปหลงเป็นตัวละครไปหลงเล่นกับเขาด้วยไปเอาจริงเอาจัง ไปได้ไปเสียกับเหตุการณ์ต่างๆพอเวลาได้อะไรมาก็ดี อ, อกดีใจเวลาเสียไปก็เสีย อ, อกเสียใจทั้งทงที่ไม่ได้อะไรจริงๆหรอกและไม่ได้เสียอะไรจริงๆหรอกเพราะว่าเวลาเรามาเกิดเราก็มาตัวเปล่าๆ เ, เวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลย ในบรรดาลาภยศสารเสริญสุขต่างๆที่เราได้รับกันและเสียกันไปแต่เราไม่ใช้ปัญญาใคร้ครวรพิจารณาสอนใจให้เห็นถึงความจริงอันนี้เราก็เลยหลงดีใจเสียใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เราได้เราก็จะดีใจ ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เราเสียเราก็จะเสียใจแต่คนที่รู้ว่าเป็นเพียงภาพยนตร์เป็นเพียงละครก็จะไม่ดีใจไม่เสียใจอะไรนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมกับผู้ที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมจะเป็นอย่างนี้ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมก็ขอให้เราบำเพ็ญทำสามขั้นนี้ที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเถิดสักวันหนึ่งเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายมีกันพระสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่ได้มาจากคนที่วิเศษวิโสอะไรก็มาจากปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรา ที่มีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามเท่านั้นความเชื่อนี้หรือศรัทธานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นจุดเป็นเป็นสิ่งที่จะดึงใจของเราให้ศึกษาและให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่มีอะไรดึงใจของเรา ให้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนาดังนั้นในเบื้องต้นสิ่งที่เราควรที่จะสร้างให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงถาวรก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจาก แหล่งที่ถูกต้องคือไม่ใช่จากแหล่งที่ไม่ถูกต้องแหล่งที่ถูกต้องนี้ก็เช่นพระไตรปิฎกเป็นต้นเป็นหนังสือที่ได้รับการถ่ายทอดในเบื้องต้นก็ปากต่อปากตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วต่อมาเมื่อมีการอ่านออกเขียนได้ก็มีการจะเลก เป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือเอาไว้เรียกว่าพระไตรปิฎกคําสอนในพระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นคําสอนที่เราจะเชื่อได้อย่างไม่ต้องเ ค, ครือบแรลงสงสัยนอกจากนั้นแล้วก็มีคําสอนจากของพระอริยสงฆ์ต่างๆที่มีมาปรากฏ ให้เป็นสังกะสรณนะเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้อาศัยศึกษาได้อาศัยให้ท่านเป็นผู้นำพาไปสู่ทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปกันนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษามีเวลาก็หาหนังสือที่ คัดมาจากพระไตรปิฎกพระสูตรต่างๆเช่นพระธรรมจักรกับปวัตนาสูตรซึ่งเป็นคำสอนครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในการประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกผู้ที่ฟังในขณะนั้นก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมทันทีหนึ่งท่านคือท่านพระอา ญ, ญาโกนทันยะ ท่านฟังแล้วท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเพราะจิตของท่านนั้นฟังด้วยความสงบฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อเป็นสมาธิ กายวาจาของท่านก็นิ่งสงบเป็นศีลท่านมีศีลมีสมาธิแล้วเมื่อมีศีลสมาธิแล้วเวลาฟังธรรมะจากพระโอษของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เพราะผู้สอนก็สอนความจริงผู้ฟังก็ฟังด้วยความจริงใจใจไม่ได้ลอยไป ลอยมากับเรื่องต่างๆแต่จดจ่อฟังทุกคำพูดที่เป็นเหตุและเป็นผลพอฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจทันทีหลังที่ทรงสอนว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงเส้นคงวาไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะถ้ายึดติดแล้วก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆอยากจะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันขัดกับความจริงความจริงก็คือมีเกิดก็ต้องมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นร่างกายของพวกเรานี้ มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ออกมาจากท้องแม่ตอนต้นก็มีการเจริญเติบโตจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ต่อจากนั้นก็จะเริ่มเสื่อมลงมาเป็นคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็คนตายไปในที่สุดนี่เป็นความจริง เป็นอ น, นิจจังเป็นความไม่เที่ยงแต่พวกเรามักจะมองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันกลัวเวลามองความตายแล้วกลัวจะตาย ท, ทั้งที่เมื่อยังไม่ถึงเวลามองยังไงก็ไม่ตายงานศพก็ไม่กล้าไปกันกลัวไปงานศพแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นศพไปกับเขาด้วยอันนี้มันเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุมีผล ถ้ามันเป็นไปได้เวลาไปมองคนรวยเราก็ต้องรวยตามเขาไปด้วยแต่เราทําไมไม่รวยตามเขาไปด้วยเวลาที่เราเห็นคนรวย<ม>ก็เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้การไปมองนี้เป็นการไปศึกษาไปหาความรู้เพื่อที่จะได้มายืนยันพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นความจริง<ม>ถ้าเรามองแต่คนที่มีอายุ เรามองคนเป็นคนที่ยังไม่ตายเราก็จะคิดว่าไม่มีคนตายกันเราจึงต้องไปดูคนตายกันการไปงานศพนี้ความจริงก็ไปเพื่อให้เห็นความตายแต่มักจะไม่ยอมมองกันไม่มีใครไปเคาะไปเปิดโงศพดูกันไปถึงก็ไปนั่งคุยกันไปสนทนากันไปไปงานสังคมไปเสียแทนที่จะไปปรงอนิจจง กลับไปคุยกับคนเป็นคุยกับคนเป็นก็เลยลืมเรื่องของคนตายไปก็เลยไม่คิดว่าตนเองจะต้องตายเหมือนกับคนที่ตายนอนอยู่ในโรงถ้าเราไปไปดูคนที่ตายในโรงแล้วมองนานๆแล้วก็คิดารณานานๆว่าเขากับเราก็เป็นคนเหมือนกันเมื่อก่อนนี้เขาก็มีลมหายใจเหมือนเรา ทำอะไรไปไหนมาไหนได้เหมือนเราแต่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขานอนอยู่ในโรงอย่างเดียวเราที่เป็นเหมือนกับเขาจะไม่เป็นอย่างนี้บ้างหรืออย่างไรนี่คือการให้ไปพิจารณาความตายพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความจริง<ม>เพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานั่นเอง นังที่พระอาญญานโกนทะยะได้แปลงวาจาไว้ว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพอแปลงวาจาในนี้ก็ปล่อยวางยอมรับความจริงคือไม่อยากที่จะอยู่นานเกินความที่จะอยู่ได้อยู่ไปจนถึงวันตายพร้อมที่จะตายยินดีที่จะตาย เมื่อยินดีที่จะตายแล้วก็จะไม่ทุกเวลาตายเวลาอยู่ก็ไม่ทุกเพราะไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้หวาดกลัวกับความเป็นความตายอีกต่อไปเพราะเห็นความจริงและเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไม่เห็นความจริงต้องเห็นภายในใจว่าอริยสัจสีนี้ต้องเห็นภายในใจและจะเห็นได้ก็ต้องเห็นใน เห็นในขณะที Son ่ใจมีความสงบนิ่งและเจริญด้วยปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความตายถ้าเวลาพิจารณาความตายแล้วยังมีความกลัวอยู่ก็จะเห็นว่านี่เป็นความทุกข์และจะเห็นว่าเกิดจากความลักตัวกลัวตายนี่เองเกิดจากความอยากจะอยู่ต่อไปเกิดจากความอยากไม่ตาย พอเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าสร้างความทุกข์ให้แก่ใจโดยใช่เหตุก็เลยตัดความทุกข์เสียด้วยการไม่อยากคือไม่อยากอยู่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายก็พร้อมที่จะตายพอตัดความอยากอ ย, กอยู่ได้ตัดความอยากไม่ตายได้ความทุกข์ใจก็หายไปต้องเห็นอย่างนี้ต้องเห็นจากการปฏิบัติเห็นในจิตของเรา ซึ่งเราสามารถเห็นได้ในตอนนี้เลยถ้าเรามีจิตที่สงบอย่างที่พระอานายานโกนทัญญะเห็นจิตท่านเห็นพอท่านได้ยินเรื่องของความตายท่านก็ดูที่จิตของท่านว่าเป็นอย่างไรพอจิตของท่านแสดงอาการทุกข์ขึ้นมาท่านก็รู้ว่าเกิดจากความอยากเกิดจากการปฏิเสธไม่ยอมรับความตายพอรู้ว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์ทรมานใจ ก็ต้องยอมรับความจริงไม่ปฏิเสธความตายพอท่านยอมรับความจริงดังที่ท่านเปล่งวาจาว่าการสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจิตของท่านก็สงบตัวลงทันทีจากความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวตายความทุกข์นั้นก็หายไปทันที พระพุทธเจ้าซึ่งมีพยานสามารถอย่างทราบวาราจิตของผู้อื่นได้จึงทร ง, เ ป, งเปล่งพระวาจาวา่าอัญญานโกนทัญญะเธอได้รู้แล้วหนอเธอได้รู้แล้วหนอนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาสอนให้แก่สัตว์โลกถ้าสัตว์โลกมีภาชนะที่จะรองรับก็จะสามารถเห็นความจริง ได้เช่นเดียวกันภาชนะที่จะรองรับก็คือศีลสมาธิจิตใจที่สงบกายวาจใจที่สงบแล้วการพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพิจารณาความตายเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเป็นความจริงที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ ถ้าเราปฏิเสธแล้วเราจะต้องทุกข์ทันทีถ้าเราไม่ปฏิเสธเรายอมรับได้เราจะไม่ทุกข์ดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นอันตรายกับเรานี้ไม่ใช่ความตายแต่ความกลัวตายต่างหากที่เป็นอันตรายเพราะทำให้จิตของเราทุกข์ทรมานใจแต่ความตายนี้มันไม่ได้ไปเป็ น, ปนพิษเป็นภัยกับใจของใคร ความตายนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมันไม่ได้ไปเป็นอันตรายกับใครถ้าไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วมันไม่เป็นอันตรายถ้าไปยุ่งไปอยากไม่ให้พระอาทิตย์ตกนี้จะเกิดอันตรายขึ้นมากับผู้นั้นทันทีเพราะเวลาพระอาทิตย์ตกก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกับสิ่งของต่าง หรือบุคคลต่างๆถ้าเราไปยุ่งกับเขาอยากไม่ให้เขาตายอยากไม่ให้เขาหมดไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท, าทันทีแต่คนที่เราไม่ได้ไปยุ่งด้วยไม่ได้ไปอยากให้เขาอยู่กับเราด้วยเวลาเขาจากเราไปเราไม่เดือดร้อนเราไม่ทุกข์ทรมานใจดังนั้นเราจะเห็นว่า ความทุกข์ของเรานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเลยแต่เกิดขึ้นจากความมืดบอดของเราที่ไม่ยอมเห็นความจริงหรือไม่รู้ความจริงว่ามีเกิดต้องมีดับมีมาต้องมีไปเวลาเราได้อะไรมาเราจะดีใจจนกระทั่งลืมไปว่าเราจะต้องเสียใจสักวันหนึ่ง เมื่อเขาจากเราไปเพราะเราไม่ยอมคิดว่าเขาจะจากเราไปเวลาได้ลูกออกมานี่ดีใจกันและไม่เคยคิดว่าเวลาลูกตายไปจะเป็นอย่างไรนี่คือความมืดบอดทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้กันอยู่เห็นกันอยู่ว่าเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายกันแต่เราไม่คิดกันเราไม่พิจารณากัน เราไม่ยกขึ้นมาตั้งไว้ในใจของเราเราก็เลยไม่เห็นความตายกันแล้วพอเกิดความตายขึ้นมาเราก็รับไม่ได้เราก็เศร้าสศกเสียใจนี่คือความประมาทที่พวกเรากำลังตั้งอยู่กันพระพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์ว่าวันหนึ่งได้พิจารณาความตายมากน้อยเพียงไร พระอานนท์ทรงตอบว่าก็พิจารณาประมาณห้าหครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือบางเวลาที่นึกถึงได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาณเพราะการพิจารณาความตายเพียงเวลาห้าหครั้งนี้ไม่พอที่จะเป็นแสงสว่างทำให้เธอปล่อยวางไม่ยึดติด ไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆได้ถ้าเธออยากจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทอยากจะมีแสงสว่างแห่งธรรมภายในใจของเธอเธอต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยต้องพิจารณาว่าหายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาก็ตาย ก็มีอยู่เท่านี้แหละความตายอยู่ตรงที่ปลายจมูกของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนตราบใดที่เรายังหา ย, า ย, หายใจได้อยู่ตราบนั้นเราจะไม่ตายถ้าตาบใดเราหยุดหายใจเมื่อไหร่ตราบนั้นเราก็จะต้องตาย ท, าทันทีถ้าไม่อยากตายก็อย่าหยุดหายใจขอให้หายใจไปเรื่อยแล้วจะไม่ตายแต่เราจะบังคับให้ร่างกายมัน หายใจไปได้ตลอดหรือไม่อันนี้เป็นปัญหาเพราะร่างกายนี้ท่านก็สอนแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถสั่งให้มันทำตามเราได้เสมอไปสั่งไม่ให้มันแก่มันก็ไม่ยอมฟังเราสั่งไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ยอมฟังเราฟังสั่งไม่ให้มันหยุดหายใจมันก็ต้องไม่มันก็จะไม่ยอมฟังเราอยู่ดีถ้ามันฟังเราก็จะไม่มีคนตาย จะไม่มีคนแก่จะไม่มีคนเจ็บไา้ได้ป่วยจะมีแต่หนุ่มๆสาวๆอยู่กันไปล้นโลกแต่มันไม่เป็นแบบนั้นความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเราจึงต้องพยายามพิจารณาความจริงอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วใจของเราก็จะดับกิเลสดับความหลงที่หลอกให้เราไปอยากจะ อยู่ไปไม่มีวันตายได้เมื่อเรามีแสงสว่างแล้วเราเห็นความจริงแล้วเราดำเนินชีวิตของเราไปตามความจริงชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสงบสุขังไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจของเราด้วยการอยากให้ร่างกาย เป็นไปในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นเองคือเราจะไม่ได้สร้างความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลาดพลาดจากกันเมื่อเราไม่ได้สร้างความอยากผลของความอยากก็คือความทุกข์ใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นนี่คืออริยสัจหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสริริมีอยู่สี่ประการด้วยกัน คือทุกความทุกข์ใจสองต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆ 3. า, ามการดับของความทุกข์สสิ่งเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นี้ดับไปได้ก็คือมรรคมรรคก็คือคำสอนที่ท่านสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี้เอง คือทานศีลและภาวนานี่คือมักถ้าเราทามกจเจิญมรกให้สมบูรณ์ได้เต็มที่เราก็จะมีเครื่องมือที่จะมาทําให้ความทุกข์นั้นดับไปที่จะทําให้ต้นเหตุของความทุกข์หายไปคือความอยากดังที่ได้พูดไว้เมื่อกี้ถ้าเรามีสติปัญญาแล้ว เราก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วเราก็จะไม่ฝืนความจริงความอยากที่จะให้เป็นฝืนกับความจริงก็จะหายไปพอหายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากก็หายไปนี่คือการทํางานของพระ อ, อริยสัจสี่เป็นสองคู่ด้วยกัน คู่แรกเรียกว่าฝ่ายผูกมัดฝ่ายสร้างปัญหาคือทุกข์กับสมุทัยคู่ที่สองคือผู้ที่มาแก้ปัญหาก็คือมรรคและนิโรธมรรคก็คือการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราปฏิบัติได้ครบเต็มท้วนเราก็จะมีเครื่องมือมาแก้ความทุกข์ มาละมามาตัดความอยากต่างๆได้ตอนนี้เรายังทำไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่ว่าความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราสู้เขาไม่ได้เขามักจะชนะเราเพราะเราไม่มีกำลังเราไม่มีอาวุธเราไม่มีเครื่องมือคือเราไม่มีทานศีลภาวนา เราอาจจะมีบางส่วนอาจจะมีทานบ้างมีศีลบ้างแต่ภาวนานี้เราแทบจะไม่ค่อยมีกันเลยเมื่อไม่มีอาวุธที่จำเป็นที่จะต้องใช้ทำลายความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็เลยต้องทุกทรมานใจกันต่อไปจนกว่าเราจะได้บาเพ็ญได้สร้างมรรคีให้สมบูรณ์ อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระส า, าวกทั้งหลายได้สร้างกันท่านก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันไปหมดแล้วพวกเราตอนนี้ยังไม่หลุดพวกเราก็ต้องพยายามสร้างมรรคให้มากมาวัดบ่อยๆทำบุญบ่อยๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์ภาวานาบ่อยๆนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสติ ควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกทําจิตให้นิ่งสงบพอจิตออกจากความสงบก็สอนจิตให้เห็นว่าเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่มี เราไม่ได้อะไรเราไม่เสียอะไรเรามาแล้วเราก็ไปสิ่งต่างๆที่เราได้เราก็ต้องทิ้งไปหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราเห็นว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้หรือไม่อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือเรื่องของศรัทธาความเชื่อ ที่พวกเราควรจะเสริมสร้างขึ้นมาด้วยการศึกษาพระธรรมคาสอนจากแหล่งที่ถูกต้องเช่นพระไตยปิฎกและพา อ, อริยสงสาวกทั้งหลายเมื่อเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเกิดความเชื่อในเรื่องการทําบุญให้ทานในเรื่องการรักษาศีลในเรื่องการภาวนาแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตาม และจะได้บรรลุมรผลนิพพานขั้นต่างๆไปตามลำดับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอผุภาษีลัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบันเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวรรัสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ